3. ปัญหาปุจจคะ2องอริยสัจสี่คือ1ทุกขะอริยสัจหมายถึ ง, anyway. งองริยสัจคือทุกสองทุกขสมุททยอริยสัจหมายถึงอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกขามทุกขนิโรธอริยสัจหมายถึงอริยสัจคือความดับทุกขี่ทุกขนิโรธคามิณีปฏิปทาอริยสัจหมายถึงอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข สองบรรดาอริยสัตว์สอริยสัตว์เท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยกฤิตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ 1. ติกะมาติกาวิสัชนาะ 1. กุศลติกาวิสัชนาสองสมุทัยสัตว์เป็นอกุศล มัก tested, karaoke, goodbye, Look, turkey, work, yeah. สัตว์เป็นกุศลนิโรธสัตว์เป็นอัพยากฤตทุกขสัตย์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มี 2. เวทนาติกะวิสัชฉนาสัจจะสองที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุทธด้วยสุขเวทนา สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาทุกขสัตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมะสุขเวทนาก็มี 3วิปากติกาวนะิสัชนาสั จ, จสองเป็นเหตุให้เกิดวิบากนิโรธสัจไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทุ ก, กสัจที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี 4. อุปาทิ น, นติกวิสัชนาะสมุทยัยสัจ รรกรรมอั wow. นประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป yes ็นอารมณ์ของอุปาทานสัจัสรสองกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทุกขสัต์ที่กํามอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กํามอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีห สังกิริทติกะวิสัชนาสมุดทยสัตต์กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสัจสองกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสทุกข์สัตต์ที่กิเลสทําให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 6. กสวิตติกะติกะวิสัชนา สมุทัยสัตว์มีทั้งวิตกและวิจารณ์นิโรธสัตว์ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณมักสัตว์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีทุกขสัตว์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ หรือไม่มีทั้งวิตกกละวิจารณ์ก็มี 7. ปีติติกะพิสัชนาสัจจะสองที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบขาก็มีนิโรธาสัตกล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบช่า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 สัจจะสองไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสสมุทรยศที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสก็มีทุกขสัจที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสก็มี๙ ทัศนะเหตุตุติกะวิสัชนาสัจสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาสมุทยรยศที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีทุกขศัตที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มี ที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเปื้อบนสก็มี 10. อาจยคามิติกวิสัชนาสมุทยสัตเป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิและจุติมักสัตเป็นเหตุใหถึงนิพพานนิโรธาสัตไม่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทุกขสัตที่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุใหถึงปฏิสนธิจุติ และนิพพานก็มี11เอ็ดศกติกวิสัชนามคสัตเป็นของเสขบุคคลสัจจะสามไม่เป็นของเสขบุคลบคลและอเสขบุคคล 12. ปริตติกวิสัชนาสมุทยสัตเป็นปริตตะสัจสองเป็นอัปปามะนะทุกขสัตที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหัศ ขตก็มี 13. ปริตารมณติกวิจัชนาะนิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้มัคสัตว์มีอปปมานะเป็นอารมณ์สมุทัยสัตว์ที่มีปริตร์เป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์แต่ไม่มีอปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตร์เป็นอารมณ์หรือมีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มี ทุกขสัตว์ที่มีปริตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคัตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมามะนะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตะเป็นอารมณ์มี ม, มหคัตตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมามะนะเป็นอารมณ์ก็มี 14. บี่ฮีนติกาวิสัชนาะสมุทยศัตว์เป็นชั้นต่ำสัจสองเป็นชั้นประนี ทุกขสัตว์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มี 15. มิชัตติกะวิสัชนาะนิโรธสัตว์ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นมักสัตว์มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสัจจะสองที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มัคคารมณติกวิสัชนานิโรธสัตต์รับรู้อารมณ์ไม่ได้สมุททยสัตต์กล่าวไม่ได้ว่ามีมัคเป็นอารมณ์มีมัคเป็นเหตุหรือมีมัคเป็นอธิบดีมัคสัตต์ไม่ใช่มีมัคเป็นอารมณ์ที่มีมัคเป็นเหตุก็มีที่มีมัคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมัคเป็นเหตุหรือมีมัคเป็นอธิบดีก็มีทุกสัตต์ ที่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์หรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี 17. บเจ็ดอุปนติกวนะิสัชนาสัจสองที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนิโรธสัจกล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้น ยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอนทุกขสัตว์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสิดอตีติกวนะิสัชนาสัจสามที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบัน กอตีตารมณติกกวิสัชนานิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้มัคสัตว์กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอน า, าคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรมน ร, ม ร, มธรมเป็นอารมณ์สัจจะสองที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอน า, าคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี20อัจฉติกริมัชนาะนิโรธสัตว์เป็นภายนอกตนสัจจสามที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี21อ็ดอัจฉรามณติกะพิัชนาะ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 ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี 22. สนิทัศญาณนธิกวิสัชนาสัจสามเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ทุกขสัตว์ที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มี ที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุุโคจัชกาวิสัชนา2อ1 8สิสมุทัยสัตเป็นเหตุนิโรธาสัตไม่เป็นเหตุสัจสองที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสัจสองมีเหตุนิโรธาสัตไม่มีเหตุ ทุกขสัตว์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัจจะสองสัมปยุทธ์ด้วยเหตุนิโรธสัตว์วิปยุทธจากเหตุทุกขสัตว์ที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุก็มีที่วิปยุทธจากเหตุก็มีสมุททยสัตว์เป็นเหตุและมีเหตุนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมรคสัตว์ที่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี ที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีทุกขัสัตที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสมุทัยสัตเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุน like ิโรธาสัตกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมัคคสัตที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุก็มี ที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีทุกขัสัตที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีนิโรธัสัตไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสมุทยัสัตกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ มักขสัตที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีทุกขสัต์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีสองจุรันตระทุก กบิสัชนาสัจจะสามีปัจจัยปรุงแต่งนิโรธสัตว์ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสัจจะสาถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรธสัตว์ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัจจะสาเห็นไม่ได้ทุกขสัตว์ที่เห็นได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ก็มีสัจจะสามกระทบไม่ได้ทุกขสัตว์ที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มี สัจจะสามไม่เป็นรูปทุกขสัจ ท, ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีสัจจะสองเป็นโลกิยะสัจจะสองเป็นโลกุตระสัจจะสจิตบางดวงรู้ได้สัจจะสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจตชะกบิสัชฉนาะสมุทยัทยสัจเป็นอาสวะสัจจะสองไม่เป็นอาสวะ ทุกขสัตว์ที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีสัจจะสองเป็นอารมณ์ของอาสวะสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสมุทัยสัตว์สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสัจจะสองวิประยุทธ์จากอาสวะทุกขสัตว์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่วิปรยุทธ์จากอาสวะก็มีสมุทัยสัตว์เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ สัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะทุกขัสัจที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสมุทัยสัจเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะ หรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะทุกขสัตที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะหรือสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสัจจะ 2. วิปยุทธจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสมุทยสัตกล่าวไม่ได้ว่า วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะทุกขสัตว์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เ enfin ป็นอารมณ์ของอาสวะก็ม <w> ีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญโยชนะโคจัตฉกะวิสัชนาสมุทัยศาสตร์เป็นสังโยชต์สัจสองไม่เป็นสังโยต์ทุกขัสัตที่เป็นสังโยต์ก็มีที่ไม่เป็นสังโยต์ก็มีสัจสองเป็นอารมณ์ของสังโยต์สัจสองไม่เป็นอารมณ์ของสังโยน์สมุทัยศาสตร์สัมยุญด้วยสังโยต์สัจสองวิปปุญจ์จากสังโยชต์ทุกขัสัตที่สัมยุญด้วยสังโยต์ก็มี ที่วิปปยุทธจากสังโย์ก็มีสมุทัยศาสตร์เป็นสังโยตและเป็นอารมณ์ของสังโยตสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยตและเป็นอารมณ์ของสังโยตหรือเป็นอารมณ์ของสังโยตแต่ไม่เป็นสังโยตทุกขัสั์ที่เป็นสังโยตและเป็นอารมณ์ของสังโยตก็มีที่เป็นอารมณ์ของสังโยตแต่ไม่เป็นสังโยตก็มีสมุทัยศสตร์เป็นสังโยต และสัมปยุตด้วยสังโยชตสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชตและสัมปยุตด้วยสังโยชตหรือสัมปยุตด้วยสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยชตทุกขัสัตที่เป็นสังโยชตและสัมปยุตด้วยสังโยชตก็มีที่สัมปยุตด้วยสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชตและสัมปยุตด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุตด้วยสังโยชตแต่ไม่เป็นสังโยชตก็มีสัจจะสอง วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สมุทัยสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ทุกขสั์ที่วิปยุตจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี 5. คันถะโคจักะบิสัชฉนาสมุทยัยศาสตร์เป็นคันถะสัจสองไม่เป็นคันธะทุกขสัตที่เป็นคันถะก็มีที่ไม่เป็นคันถะกม็มีสัจสองเป็นอารมณ์ของคันธะสัจสองไม่เป็นอารมณ์ของคันธะสัจสองวิปยุตจากคันธะ สัจจะสองที <beast maintained> <creation> ่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะก็มีที่วิปยุทธ์จากคันทะก็มีสมุทัยสัตว์เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะหรือเป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะทุกขสัตว์ที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะก็มีที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีสมุทัยสัตว์ เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันทะหรือสัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะหรือสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะทุกขสัต์ที่เป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันทะก็มีที่สัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า เป็นคันธะและสัมปยุทธ์ด้วยคันธะหรือสัมปยุทธ์ด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีสัสจจะสองวิปยุทธจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะสัสจจะสองที่วิปยุทธจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะ หรือวิปยุตจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะก็มี6ถึง8โอคะโคจัตจการิวิสัชฉนาสมุทัยสัจเป็นโอคะเป็นโยคะเป็นนิวรสั จ, จสองไม่เป็นนิวรทุกขสัจที่เป็นนิวรก็มีที่ไม่เป็นนิวรก็มีสัจสองเป็นอารมณ์ของนิวรสัจสองไม่เป็นอารมณ์ของนิวร สมุทัยสัตว์สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์สัจจะสองวิปยุทธจากนิวรณ์ทุกขสัตว์ที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุทธจากนิวรณ์ก็มีสมุทัยสัตว์เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์สัจจะสองกล่าวไม่ไ <dramas> ด้ว <uhhh entrepreneur> ่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ทุกขสัตว์ที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี ที่เป็นนารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสมุทรยศเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์สัจจะสองกล่าวไม่ได้ว ja ่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ทุกขศัตรที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ หรือสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณก็มีสัจจะสองวิปยุทธจากนิวรณและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณสมุทัยสัจกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุทธจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณหรือวิปยุทธจากนิวรณและไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณทุกขสัจที่วิปยุทธจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9. ปรามาสโคตจตชกาวิสัชนาะสัจจสามไม่เป็นปรามาตทุกขสัจ ท, ที่เป็นปรามาตก็มีที่ไม่เป็นปรามาตก็มีสัจจสองเป็นอารมณ์ของปรามาต สัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตย์สัจจะสองวิปยุตจากปรามาตยสมุทัยสัตว์ที่สัมปยุตด้วยปรามาตยก็มีที่วิปยุตจากปรามาตยก็มีทุกข like สัตว์ที่ส <bipart is anship pling> ัมปยุตด้วยปรามาตก็มีที่วิปยุตจากปรามาตยก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาตยหรือวิปยุตจากปรามาตยก็มีสมุทัยสัตว์กล่าวไม่ได้ว่า เป็นปรามาตยและเป็นอารมณ์ของปรามาตยหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตย์สัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาตยและเป็นอารมณ์ของปรามาตยหรือเป็นอารมณ์ของปรามาตแต่ไม่เป็นปรามาตยทุกขสัตว์ที่เป็นปรามาตยและเป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาตยแต่ไม่เป็นปรามาตยก็มีสัจจะสองวิปยุจจากปรามาตย และไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตสัจจะสองที่วิปปยุตจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุตจากปรามาตแต่เป็นอารมณ์ของปรามาตหรือวิปปยุตจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตก็มีสิบมหันตราทุกับวนะิสัชนาสัจจะสองรับรู้อารมณ์ได้นิโรธสัสต รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทุกขสัตว์ ing, ท, ing, ท, ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีสัจจะสไม่เป็นจิตทุกขสัตว์ที่เป็นจิตก็มีที่ททไม่ <myths> เป็นจิตก็มีสัจจะสองเป็นเจตสิกนิโรธาสัตว์ไม่เป็นเจตสิกทุกขสัตว์ที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีสัจจะสองสัมปยุทธ์ด้วยจิต นิโรธสัตว์วิปยุตจากจิตทุกขสัต <Host> ว <Word. Rainbow Mercy> ์ที่สัมปยุตด้วยจิตก็มีที่วิปยุตจากจิตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิตก็มีสัจจะสองระคนกับจิตนิโรธสัตว์ไม่ระคนกับจิตทุกขสัตว์ที่ระคนกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิต หรือไม่ประคนกับจิตก็มีสัจจะสองมีจิตเป็นสมุทฐานนิโรธสัจไม่มีจิตเป็นสมุทฐานทุกขสัจที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานก็มีสัจจะสองเกิดพร้อมกับจิตนิโรธสัจไม่เกิดพร้อมกับจิตทุกขสัจที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มี Savior, um, yes. สัจจะสองเป็นไปตามจิตนิโรธสัจไม่เป็นไปตามจิตทุกขสัจที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีสัจจะสองระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานนิโรธสัจไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานทุกขสัจที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มีที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานก็มี สัจจะสองระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตนิโรธสัจไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตทุกขสัจที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีสัจจะสอง <being> ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตนิโรธสัตว์ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตทุกขสัตย์ที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตก็มีสัจจะสเป็นภายนอกทุกขสัตย์ ที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีสัจจะสไม่เป็นอุปาทายรูปทุกขสัจที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีสัจจะสกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือทุกขสัจที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี 11 อ, อุปาทานาโคลลจัชะกาวิสัชนาสมุทัยสัตว์เป็นอุปาทานสัจจะสองไม่เป็นอุปาทานทุกขสัตว์ที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสัจจะสองเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองวิปยุตจากอุปาทาน สัจจะสองที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุทธ์จากอุปาทานก็มีสมุทยสัจเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานทุกขสัจที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสมุทัยสัตว์ที่เป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานหรือสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานหรือสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน ทุกขสัตว์ที่เป็นอุปาทานและสัมยุญด้วยอุปาทานก็มีที่สัมยุ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมยุญด้วยอุปาทานหรือสัมยุญด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสัจจะสองวิปปุตญจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน สัจจะสที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสิบสองกิเลสโคจัชกะวิสัชนาสมุทัยสั ต, barber, ส ต, สต at, เป็นกิเลสสัจจะสองไม่เป็นกิเลส ทุกขสัตว์ที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีสัจจะสองเป็นอารมณ์ของกิเลสสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสมุทญยสัตว์กิเลสทําให้เศร้าหมองสัจจะสองกิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองทุกขสัตว์ที่กิเลสทําให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองก็มี สมุทัยสัตย์สัมปยุตด้วยกิเลสสัจจะสองวิปยุตจากกิเลสทุกขสัตย์ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีสมุทัยสัตย์เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสทุกขสัตย์ที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี ที่เป็นนารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสมุทัยสัตว์เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสทุกขสัตว์ที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองก็มี ที่กิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองหรือกิเลส ท, ทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสมุทัยสัตว์เป็นกิเลสและสัมปะยุทธ์ด้วยกิเลสสัจจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปะยุทธ์ด้วยกิเลสหรือสัมปะยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส ท, ทุกสัต์ ที่เป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสก็มีที่สัมพยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็ม <ะ S 2> ีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสหรือสัมพยุดด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสัจจะ 2. วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสมุททยสัจกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส หรือวิปปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสทุกขสัตว์ที่วิปปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปปยุจจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 13. ปิติทุกขวิสัชนาสัจจะสอง ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสัจจะสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักก็มีสัจจะสองไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาสัจจะสองที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาก็มีสัจจะสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก สัจจะสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัค ก, ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัติมัค ก, ก็มีสัจจะสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเปื้องบนส unes. สัจจะสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเปื้องบนสก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเปื้องบนสก็มีสมุทัยสัตว์มีวิตกนิโรธาสัตว์ไม่มีวิตก สัจจะสองที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสมุทัยสัตว์มีวิจารณ์นิโรธาสัตว์ไม่มีวิจารณ์สัจจะสองที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีนิโรธาสัตว์ไม่มีปีติสัจจะสามที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีนิโรธาสัตว์ไม่สหรคตด้วยปีติ สัจจะสาที me, ่สหรคตด้วยปีติก็มีที he fam, ่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีนิโรธสัตว์ไม่สหรคตด้วยสุขสัจจะสามที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีนิโรธสัตว์ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาสัจจะสาที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสมุทัยสัตว์เป็นกามาวจร สัจจะสองไม่เป็นกามาวจรทุกขสัตว์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีสัจจะสามไม่เป็นรูปาวจรทุกขสัตว์ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีสัจจะสามไม่เป็นอรูปาวจรทุกขสัตว์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มี สัจจะสองนับเนื่องในวัฏฏทุกสัจจะสองไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกมัคคสัตเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกสัจจะสามไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกมักคสัตให้ผลแน่นอนนิโรธาสัตไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นสัจจะสองที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี สัจจะสองมีธรรมอื่นยิ่งกว่าสัจจะสองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสมุทัยสัตว์เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้สัจจะสองไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ทุกขสัต์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีปัญหาปุจฉกะจบสัจวิพัง ป y ริ o ู